พระธรรมเทศนาแผนที่72ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าธรรมะไม่มีโทษแต่วันนี้เป็นวันที่15ห้า ตุลาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานคณะผอรอะกณะแพทย์โรงพยาบาล น, น้องบัวลำพูก็มาพบกับหลวงพ่อได้เอาเครื่องมือมาใช้แล้วก็ใช้ถึงครบกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินให้เขาเพราะเอาเงินเอาเครื่องมือเขามาใช้ทดลองดู ก็เป็นที่พอใจไม่มีปัญหาในเมื่อมีมีปัญหาเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเมื่อวานนี้ก็ทั้งพอออทั้งคณะแพทย์ทังพยาบาลได้มาพบหลวงพ่อว่าขอโอนใจให้คณะกรรมการวัดป่านะครับน้อยโอนจ่ายเงินให้ค่าเครื่องมือแพทย์อันนี้เครื่องทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์ตัวนี้สองแสน 15,000 ้ตัวหนึ่งตัวที่สองก็คือทำไมถึงจะได้ใช้ตัวนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าได้ทำการผ่าตัดไปแล้วมันแผลไม่หายเพราะว่าเครื่องมือทำความสะอาดหรือเครื่องทำความสะอาดไม่ดีพอก็เลยมาขอเครื่องหลวงพ่อก็เห็นว่าจําเป็นเพราะการผ่าตัดมันต้องเครื่องมือต้องสะอาด ถึงในตกลงแต่ตัวนี้เป็นของเสียต้อมนะเสียต้อมเป็นผู้มอบให้เป็นเสียต้อมเป็นผู้จ่ายเงินสองล้านหนึ่งแสห้าหมื่แต่ว่าตัวที่สองเครื่องช่วยหายใจช่วยหายใจของมันมันขาดอยู่มีความจำเป็นตัวนั้นราคาห้าแ0น แต่หลวงพ่อเป็นผู้จ่ายทางวัดทังคณะกรรมการของเราเป็นคนจ่ายเพราะนั้นมาเมื่อวานนี้เราก็ได้เตรียมโอนเงินทั้งสองรายการก็เป็นเงิน 700,000 7เ5 0 0 0สน่งให้กับเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำโพงแล้วก็ก่อนหน้านี้อาทิตย์กว่าทางโรงพยาบาล ศูนยขอนแก่นก็ได้เข้ามาขอเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับพาเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงของโอลิมปัสกล้องผ่าตัดเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงของบริษัทโอลิมปัสหลวงพ่อก็ได้อนุมัติให้ไปแล้วแต่นี้กําลังอยู่ในระหว่างทดลองใช้เครื่องมือ แต่อีกไม่นานถ้าเป็นที่พอใจแล้วก็คงจะเข้ามาเบิกอีกตัวนั้นล้านล้านเจ็ดแสนแล้วก็เขาก็แถมหัวหัวผ่าตัดให้อีกสองกล่องได้ยินว่ายอย่างนั้นนะออันนี้ก็น่นะคือการที่วัดของเราได้ช่วยสาธารณประโยชน์ก็ท้าวหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวไม่แน่ให้พวกคณก พวกเราได้ทราบถ้าหลวงพ่อจ่ายไปลแล้วไปก็พวกเราก็ไม่รู้เพราะนั้นจึงได้เรียนให้ทราบเพราะเจะตุปัจจัยที่ได้มาตกมาในวัดของเราก็คือเป็นของวัดเป็นของพวกเราที่จะต้องรับรูบ้รับทราบ ร, ร, ร่วมกันแต่พวกเราได้ทําประโยชน์ให้แก่สาธารณประโยชน์แต่ส่วนอื่นที่หลวงพ่อได้สร้างเกี่ยวกับที่พัก พักคนที่มาเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรตัวนี้ก็ทยอยจ่ายไปเรื่อยๆอยู่ก็คือยังค่อยๆดูอยู่ว่าขาดเหลือขาดตกอะไรเพราะมีการก่อสร้างตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จเราจะเมื่อแล้วเสร็จแล้วนะ่ะจึงจะเรียนให้ทราบอีกที่นึ่งว่าหมดไปเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็กะกะไว้ประมาณเกือบสองล้านเหมือนกันนะขณาจารย์ทายญาติโยมนะ สร้างที่พักคนมาเยี่ยมไข่ไม่มีที่พักพาอาศัยแล้วก็ทำห้องน้าด้วยห้องน้ำของฝ่ายหญิงฝ่ายชายแล้วก็มง้มงน้วลวดเกิว่าเป็นที่สบายนะสรุปแล้วก็คือให้พักมาเป็นที่สบายของผู้ที่มาเยี่ยมไข่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้มอบรถ แอมบร์นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาตัวนั้นก็ราคาร้านเก้าเหมือนกันอันพวกทหารทั้งทหารอากาศเป็นผู้มอบให้เราก็เด้นมอบให้ในนา ม, ม ข, ของมูลนิธิของพระอาจารย์อินถวายของหลวงพ่อ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์พวกเราที่ได้ร่วมกันสร้าง หลือมกร่วมกันมอบให้กับส่วนรวมเราเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราต้องการอยากได้หน้าได้ตาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราได้ทำได้อยู่ได้กินได้รับความสะดวกสบายได้รับความผาสุกตามอัตภาพ ไม่เดือดไม่ร้อนเราก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านในตรัสได้บอกไว้ว่าขย่าวิยธรรมมาสร้างฆราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทัติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายจุดเป็นอยู่ การแสวงหาทรัพย์หรือว่าการแสวงหาธรรมหรือการปฏิบัติธรรมอันนี้แปลว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือต้องมองดูข้างนอกโลกเขาเดือดร้อนพุ่นวายอะไรมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะช่วยเหลือได้ไหมอันนี้เราก็ได้ช่วยอันนี้ก็คือช่วยเหลือชุมชนสังคมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราพุทธบริษัทถึงยังไงก็ตามขอขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาจากพ่อจากแม่เกิดมาจากามีหลายสถาปันาชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จะเชิดชูให้อยู่ได้เป็นคู่กับเมืองไทยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราเกิดมาจากใครในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่ไม่ให้ลดละไม่ให้มองข้ามการบ่อกเกิดของพวกเราแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าโลกทั้งโลกเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์เข้ามา แล้วก็ความเชื่อทางด้านจิตใจมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปแต่ตามไม่จริงวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ก็คือจิตศาสตร์มันมีหลายศาสตร์ในโลกเนีสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ยังไม่ถึงก็มีต่างเยอะแยะมีอะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ยังไม่ถึงดาวในท้องฟ้าเต็มไปหมดวิทยาศาสตร์ไปถึงทุกดวงแล้วอย่าง หลวงพ่อถามเพียงแค่นี้แต่อย่างอื่นล่ะยังมีออกลึกลับวิทยาศาสตร์ยังตรวจไม่ถึงเพราะั้นสิ่งที่ตรวจไม่ถึงเหล่านั้นมีอะไรอยู่ในนั้นมีไหมรู้ไหมวิทยาศาสตร์ก็ยังตรวจไม่ถึงเพราะนั้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตรวจไม่ถึงแต่จิตศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ตรวจถึงท่านตรวจอย่างไรท่านตรวจยังไงจึงจถึงจะเอาเครื่องตรวจไม่ได้ เอาเรื่องของใจตรวจเพราะนั้นเรื่องของใจตรวจเครื่องนามาทําตรวจจุดนี้ขอให้พวกเราได้ศึกษาให้ฟังเอาไว้ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อยังไงก็ให้ฟังเอาไว้แต่ตามไม่จริงหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาที่ท่านออกมาข้างนอกเรื่องเรื่องภายในถ้าท่านเป็นธรรมพูดออกมาก็เป็นธรรม คิดออกมาก็เป็นธรรมเมื่อคิดออกมาเป็นธรรมการกระทําก็เป็นธรรมการพูดกไปพ่เป็นธรรมเพราะเหตุไรเพราะใจดวงนั้นเป็นธรรมแต่ถ้าว่าใจดวงนั้นเป็นกิเลสอ่าตัวไม่ได้ชําระกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เถอะก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ทํำร้ายทําลายอย่างไอเชไรน์นะทั้งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นขั้นเยี่ยมคนทั้งโลกเขาก็ยกย่องว่าเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ผลวิทยาศาสตร์ของไอสตรายนเป็นยังไงค่าคนเท่าไหร่อันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้คิดไหมแต่จิตศาสตร์ของพระพุทธเจ้าถนะ้าท่านไปนค้นพบที่โคนต้นโพธแล้วผลออกมาเป็นยังไงพวกเราได้คิดไหมได้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมานานเท่านานอันไหนที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า บทไหนคาถาไหนคำไหนที่ทำร้ายทำลายชุมชนและสังคมให้เดือดร้อนวุ่นวายเป็นความทุกข์มีไหมมีแต่ให้คุณส่วนเดียวพูดอย่างนั้นได้อันนี้คือจิตใจของท่านผู้ผบริสุทธิ์จิตใจที่ออกมาจากจิตศาสตร์การคิดดีเมื่อคิดดีแล้วการกระทำออกมา ก, ก็ดีการพูดออกมา ก, ก็ดีเพราะท่านคิดดี คิดอะไรคิดชำระกิเลสภายในพระไทยของพระองค์ไม่มีราคะโทสะโมหะตัดกิเลสโลภโกรดหลง อ, อกได้อย่างชื่นเชิงไม่มีตัวที่จะคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตหรือว่ามีอารมณ์โมโหโกธาโลภโกรดหลงอยู่ในจิตในใจของในในพระไทยของพระองค์จิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจที่บริสุทธิ์ กันกรองแล้วออกมาทางกายของบริสุทธิ์ออกมาทางวาจาแนะนําสั่งสอนสาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของบริสุทธิ์ท่านจึงรับรองว่าสาสนาธรรมสาสนาธรรมพระองค์เป็นสวารคตาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วสวารคตาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพระองค์รับรองในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่เรามาพิจารณาดูให้ดีดูสิอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทิศทั้งหกแต่มีหลายนะมีหลายหมุมแต่นี้ยกประเด็นขึ้นมาในทิศทั้งหดูทิศทั้งหกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดามารดาบิดาพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาทิศเบื้องหลังสามีภรรยา ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์ทิศเบื้องต่ําคือคนใช้คนงานนีอันนี้คือคือพระพุทธองค์ออกมาในทิศทั้งหสอนในทิศทั้งหคือมุมหนึ่งที่พระองค์ที่พระพุทธองค์คิดดีแล้วออกมาสอนในทิศทั้งหคุณบิดามารดาคือไหนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสว่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าถ้าเราพิจารณาดูแล้วนะ่ยทิศเบื้องหน้าแต่อ ย, า ง, อยางทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โลกคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อในทำคําคสอน เขาก็บอกว่าพ่อแม่เนยทำให้ข้าเกิดมาทำไมฮะถ้าพ่อแม่ยากจนนะดูถูกเกยียดยามพ่อแม่ขึ้นมาทำให้ข้าเกิดปัจจุบทำไม อ, อันนี้คือมองมองในมุมเดียวนะแต่ถ้าว่าพวกเรามองย้อนอีกไปที่หนึ่งนะถ้าหลวงพ่ออินเป็นพ่ อ, เ ป, พอเป็นแม่ของคนคนนั้นนะหลวงพ่อก็คงจะบอกว่านะรู้จักว่าข้าทุกข้าจนข้าโง่เง่าเตาตุนขนาดนี้ แต่กแก่เสือกมาเกิดกับข้าทําไมเอหลวงพ่อเขาทาเป็นหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะเออใครข้าว่าตัวเองจะมาเกิดทําไมเขารู้จักว่าพ่อแม่ยากจนอยู่แล้วนะทําไมไม่ไปเกิดจุดเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพอกกรรมของข้าเองจึงได้วิญญาณทรยศ<ม>ทรรลอดหรือชั่วช้าเลวทามมาเกิดกับข้าอย่างนี้ก็คงจะเป็นข้าคงจะทํากรรมไว้ไว้ในอดีต กับพ่อกับแม่ในอดีตข้าจะมาเกิดในภพนี้ชาตินี้แล้วเอาเถอะชาตินี้ภพนี้ชาตนี้ก็ข้าก็คงจะได้ทํากับพ่อกับแม่มาก่อนข้าจึงได้มีวิญญาณที่เลวที่โง่ที่เนรคุณมาเกิดกับเราอันนี้ก็คือท่านเราจะพิจารณาดูก็ได้หลายแง่หลายมุมหลายด้านเหมือนกันอันนี้เรียกว่า ผู้มีปัญญาก็ต้องระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาขนาดนี้เออละเพียงพอขาสองแขนสองสมองหนึ่งที่เราจะกระโดดไปในทิศทั้งสี่เออท่านเกิดสอนมาแล้วเพราะทรัพย์สมบัติในโลกนี่มีมากเออย ด, ดถานบรราสากลยศสรรเสริญในสุขในโลกนี่มีมากมีหลายแนวทางเราได้ขนาดนี้เอาเถอะ เราจะเดินไปในทิศทั้งสี่พระคุณของท่านที่ได้เลี้ยงดูเรามาเนี่ยท่วมท้นเหลือขนาเราจะบรยบรายายไม่ได้พระคุณของท่านเดี๋ยวเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาแล้วขนาดนี้เราจะเอาอะไรอีกจากพ่อแม่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าลูกที่มีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ ผู้มีปัญญามากก็ต้องระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ได้มากเนีย่ยนี้ขอฝากไว้กับชุมชนและสังคมของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าจะพูดไปแก็เหมือนกับขวานผ่าซากไปสักหน่อยแต่ตามไม่จริงนำเอาเหตุผลมาพิจารณานะพูดด้วยเหตุผลถ้าคนเประเภทอย่างนั้นนะเราก็ต้องเอาพูดหนักๆนะอ้างเหตุผลให้หนัก ถ้าคนมีปัญญาคนเบาอยู่แล้วนิสัยดีอยู่แล้วจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันหยาบนะแต่กคนหยาบหยาบอย่างนั้นเราจะไปพูดแบบพลอยๆไม่ได้ต้องพูดให้หนักนะนี่แหละอันนี้ก็สิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาก็อยู่ในกรอบถ้าสามีก็ตามภรรยาก็ตามออกนอกลูนอ ก, นอกทางไปคนละทิศละทางอย่าหวังเลยครอบครัวนั้นจะมีความสุข มีแต่ความเรือดร้อนวุ่นวายทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทัศนิษย์คนใดก็ตามดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ของตนเองเ อ, อย่าหวังเลยลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดจะเป็นผู้มีอนาคตที่สดใสมีแต่เมื่ดมนอนฑการไปหน้าเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะไม่ไม่ครบรบในครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้กับเรา อันนี้ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายใครก็ตามถ้าทรายศ์ต่อมิตรสหายต่อหมูพวกเพื่อนมีอะไรมิต่หักล้างหักพงเขาเอารัดเอาเปรียบกับหมูพวกเพื่อนตลอดจะมหมูพวกเพื่อนจะเป็นมิตรเป็นสหายเราได้อย่างไรเป็นอริศตรูทั่วบ้านทั่วเมืองทุกทัก่วหัวไหลแห่งเพราะอะไรเพราะไม่มีมิตรสหายเพราะทรยศ์ต่อเขาอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย ถ้าเราทำดีกับมิตรสหายมิตรเป็นยังไงสหายเป็นอย่างไงเราเป็นอย่างงั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างงั้นให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างหละคนคนนั้นไปทํามาค้าขายนสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็อย่างหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เข้ามาแล้วก็ ศรัทธาญาติโยมออมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรนะครับักทธาญาติโยมลูกหลานนะไอ้ทำประบัติตนอย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างนั้นแก้ไขอย่างนี้อันนี้คือศีลอันนี้คือธรรมอันนี้คือความถูกต้องอันนี้คือนรกไปสู่นรกอันนี้คือไปสู่สวรรค์ทางไปสู่นิพพานอันนี้ทางไปสู่โภทรัพย์ส ม, มณะพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนตามสติปัญญาความสามารถของแต่ละท่าน อันนี้พวกเราก็ให้ศึกษาอันนี้คือสมณพราหมณ์ทิศเบื้องสูงทิศเบื้องต่ำคือลูกน้องบริวารเราอย่ามองข้ามถ้าใครก็ตามาถ้าหาว่ามีน้ำจิตใจต่อบริวารการสงเคราะห์อนุเคราะห์บริวารบริวารก็ให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสผู้ที่เป็นหัวหน้าลูกน้องบริวารจะไปนะสถานที่ใด เ, เป็นยังไงผูเ้เป็น หัวหน้าเนี่ยก็นนะช่วยเหลือชุมช่วยเหลือชงเคราะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เรามาพิจารณาดูซิว่าทิศตั้งหกของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นี้ถูกต้องไหมเออเป็นธรรมไหมนี่แหละหัวใจของท่านที่เป็นธรรมที่ท่านการกรองตัดตัดกิเลสออกแล้วท่านไม่เห็นแก่ผู้ใดเห็นแก่ธรรมผูดตามธรรม เพราะนั้นความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนสังคมของพวกเราถ้าพวกเราใช้ทรรำคําสอนที่พระพุทธเจ้ากันกรองไว้แล้วคือสวารคาตธรรมของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทั้งคดีโลกทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ทิ้งยังไงอย่าลืมเน้นยังไงก็อย่าลืมชีวิตของพวกเรามีจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหนา ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอันนี้จุดนี้ให้ศึกษาเอาไว้แล้วการเกิดนั้นไม่แน่นอนถ้าไทยใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานน า, นานาชนิดถ้าว่าใครทํากรรมดีกรรมดีนั่นแหละจะพานําดวงวิญญาณ น, นั้นไปสู่สุขติไปเกิดในพภพภูมิที่ดีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ร่ํารวย สุขภาพดีทั้งหมดไม่มีอุปสรรคใดเพราะเหตุใดเพราะว่าบุญพาไปเกิดถ้าบาป พ, พาไปเกิดแล้วก็มีแต่ความทรมและทมทุกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนานาสัตว์น า, นาชาติมนุษย์นานาพันธุ์นานาคนนานาเผ่าพวกเราได้เห็นล้วนแล้วแต่กรรมเป็นผู้พานําพาไปเกิดทั้งนั้น เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นคำนี้ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าอกตังลุกกตังเส่ยโยปัจ ช, ชาตะปฏิลุกกตังกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังในขณะที่ทําตัวเองไม่ได้คิดนะแต่เมื่อมันทําลงไปแล้วะกรรมชั่วให้ผลวิ่งหัวศกหัวซุนนะ่นวิ่งหนีตํารวจวิ่งหนีกรรมชั่วะผลที่สุดกรรมชั่วให้ผลกันนะั้นนะตัวเองจะฉลาดขนาดไหนก็เถิดอยู่ในห้องโกงห้องขังมันไม่คุ้มค่ากันนะพวกเราท่นทั้งหลายสัทยาญาณโฉมทุกหมู่เหล่าที่พูดตัวให้ฟังนี้เป็นแนวความคิด เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร